พิจณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทาไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวล น, นี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายใจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้ น, น, น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 เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลําดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สติมันก็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพะจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเท้ะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระ ง, งับตัวการระ ง, งับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพอพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราทเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบื่เบียนขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบาก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 อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุเกเย่นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสาบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนาจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นจกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพลาสุกอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษาตนอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกฏในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศ ล, ลกรรมเป็นเครื่องพยุงโยงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม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 ต้องเป็นกรรมวันยังคำ้ำและเป็นผลดีชั่ววันยังคำ้ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงเมื่ควรกลัวเรื่องสุ่ม 4, สี่จุมห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้นอยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุทั้งขันนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ ให้รู้สึกตั ว, ต, วตัวนี้ให้มีสติพินิมีปัญญาพินิพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภาณในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเหตุศาสนา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 ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงจงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอไม่มีเฟอรดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพนราใจ ย, ยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเท่ไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟอผิดกันครับสิ่งต่างๆ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราเคยเห็นไหมเราเคยได้ยินถึงเงินเฟอ้อสินของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบื่อดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟอ้อจะหาละคาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมาใครจะเกาะจะจับตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง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 โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสําหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้ว<ม>แล้วถ้จะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ยอ่อๆเพียงเท่านี้มนุษย์เฟอ้อไปไหน แล้วมันจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสําหรับเราเรียวเรากรเฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติธรมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อืให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่วนเข้ามาหานักปฏิบัติั้งเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอร์ฮแก้มันออกความขี้เกียร์ความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง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 สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวยังว่าจิตถูกจองจำทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรก ล, ลุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตนเองการแก้ตนเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระิฆาท่านเคยแก้อ ย, อย่างนี้เราอะไรมาแก้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 มีแต่นักจองปัาชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชญที่ไหนก็เอาตัวของเราหนี่เองเป็นปัาชามันมีด้วยกันทุกคนเราทําไมจะต้องขยันจองนะจองปรชาชญ์มันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เฉลี่ไม่หลาดตรงนี้จะเฉลี่หลาดที่ตรงไหนอะไรไมาให้ทุกข์ให้ภัยใจเราถ้าให้เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธานุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธานในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ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 นี่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจกนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุขความสบายดําเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบํารุงจิตจใจตน้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผลเปรี้ยจิตใจมีอรมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบ ก, กวนก จ, จิตใจเขาโรยจิตใจให้เดือดร้อนนานก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลาดับจกนกระทั่งจิตได้ถึงความ ชอบทําโดยสมบุรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอา ล, ละการแสดงทกาก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาพอยุติเพียงเท่านี้ <c oughs>